ส่งตรงถึงบ้านก่อนเริ่มรายการในช่วงที่หนึ่งมาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันก่อนค่ะอบอุออนอนอ่นละมุนละไ ม, มแม้จะเป็นหญิงไมยขายเหมินเดินนี้มากมีตัวอย่างเมตตาหัวน้าน หากจะนะาาวถึงคร า, หาหวเดียวได้อาจมีวันหายแต่หญิงไม่ตรอมกรมเป็นสาวได้เพียงครั้งหนึ่งถ้านึกไม่ถึงนางมุ้ก็ขมหญิงไม้มีหลายชนิดน่าทรงเพรื่องลูกติดน้าไม้คิดสังคมอย่า ร, งรางรอบหัวขีเล้าเจ้าชูขี่เมาละตีดาเสียงกลม หนังสือพิมและสีม่มุมบ้านไม่เว้นตาละวันระผาดขาวครึกโครมยิงไม้ชายทิ้งยิงแย่เมียน้อยอยุ่ยแย่และผัวทิ้งตรอมตรมลูกเตาเขาไม่ยอม แ, กแลกระจององแรรองร้องไห้หิวนมยิงไม้หัวตายสี่อานาถทำบุญตักบาทนะเอาไว้เจอเอวกลม บ้ารรยหญิงไม้ขันมากเจ้าเบาตีจากก็ร้องให้ร้องห่มหญิงไม้หัวไกลเรือนเยาวน้ำพริกถวยเก่าเขาเบื่อเจยชมบางไายไม้ปลอกตัวปวดสามเดือนนอนปวดร่วดราวอารมณ์สงสารน้ำตายหญิงไม้เมื่อสิ่งผู้หมายละเหมือนไรพะห้ม แม่เอวบางหางตาคมคมต้องเดียวได้หญิงไม้ตรอมตรมไม่อยากจะเชยชมมาอุมสมอาบุนอกอุ้นอุนละมุนละไม่มมถึงจะเป็นหญิงไม้กอตามงามแ อหลงยิ่งไม้นั้นทรงซึงคุ้ความดีไม่มีมารยาหาลอกหลอนถึงยามสาวนอนต้องมีเหตุผลเมื่อยามสาวโบนเพราะเรื่องรากหล่เอ็นดูสงสารกาญดายิงไม้เธอนานนึกว่า กลับมาฟังประวัติของชายเมืองสิงห์ The Man City Lion ผู้ที่เป็นทั้งนักร้องและตลกอย่างที่บอกเมื่อวานนี้นะคะใครตามไม่ทันว่าเข้าขาวงการเพลงมาได้เพราะการไปแหล่สดๆโต้ออกอากาศกักบพรพิรมซึ่งเป็นนักร้องนักโอ้โหนักร้องที่ชื่อเสียงโด่งดังมากของค่ายวงจุฬารัตของครูมงคล แล้วด้วยไหวพริบปฏิภาณของชายเมืองสิงห์ที่ดีมากก็เลยทำให้ต่อแข่งกันเนี่ยโอ้โหสูสีได้รับการชื่นชมจากแฟนเพลงมากค่ะท่านผู้ฟังขอมันเลิศมากจนกระทั่งเขาก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้ น, ด, นดีขึ้นเรื่อยๆพ้งานเพลงเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังออกเยอะอยู่นะคะ โดยได้สร้างความฮือฮาโดยเอาเพลงของตัวเองเนี่ยมาร่วมกับนักร้องสมัยใหม่ทีนี้มาดูกันก่อนว่าที่มาวางค้างไว้ว่าชายเมืองสิ่งทำวงอยู่1ิบปีและยุบวงไปเพราะว่าเจอปัญหาหมรสุมชีวิตค่ะท่านผู้ฟังคือครอบครัวและก็พ่อแม่เนี่ยก็เสียชีวิตคืออาจจะเศร้านะ ผันตัวไปเป็นเกษตรกรทำไร่ทำสวนอยู่10ปีจนกระทั่งได้รางวัลเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดดูสินะคนเราอะ่ะจะทำอะไรให้มันตั้งใจมันก็ดีนะท่านผู้ฟังแล้วต่อมาก็มีการจัดงานสัตวายของเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่หนึ่งปี2532แล้วชายเมืองสิงห์อ่ะก็ได้รับพระราชทานรางวัลค่ะ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมมาราชกุมารีถึงสี่รางวัลจะกลับมาสู่วงการเพลงลูกทุ่งไทยอีกครั้งโดยนำเพลงเก่าเพลงใหม่มาขับร้องในสไตล์ตัวเองเพลงที่ที่ได้สร้างความหือหาก็คือเอานำเพลงเมียพี่มีชู้เนี่ยนะคะมาขับร้องใหม่ผสมกันกับเพลง ของนักร้องร่วมสมัยที่มาร้องเพลงด้วยกันเช e <pase bar. S 1> ่นจ้าอาสยามใบเตออาสยามหนีการแต่งเพลงเนี่ยเพลงดังๆหลายเพลงเช่นจำมัมสิจริงนะน้องเอ๋ยอย่างเงี้ยหรือว่าเพลงมนเมืองสิงเรือเรือล่มในหนองมันยกร้อง15หยกๆยกหยิกแกมหยอกแก่นแก้ว ชาทิงนองหน่อยเมรีมาลายดอกรักพี่ไปหลายวันโอ้ยนี่ชอบมาเลยพี่ไปหลายวันกุหลาบในใจน้องอมันผสมกับหญิงทิ่จัการเนาะอ่ะคือจัดให้คือมีมีการเรียบเรียงนะคะเป็นคนเป็นคนเรียบเรียงกุหลาบในใจน้องแล้วให้หญิงทิ่จัการอนะ่ะเป็นคนร้องก็ดังอีกแล้วก็ได้ มีเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะซึ่งอยู่ในสาขาศิละปะการแสดงเอาละค่ะวันนี้เราจะไปฟังผลงานเพลงของชายเมืองสิง์คือเพลงจ um ้ำม um ั่มและเดี๋ยวลองเดากันนะคะว่าดีเจแอมจะเปิดเพลงไหนให้ท่านผู้ฟังฟังแต่ก่อนที่จะจบจากช่วงประวัติของนักร้องลูกทุ่งนะคะอย่าลืมรายการแช่หมดเปลือกที่นำ ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีๆนำเรื่องราวประวัตินักร้องลุกงทุ่งดังๆมาเปิดให้ท่านฟังวันนี้นะคะเปิดของชายเมืองสิงห์ไปแล้วพรุ่งนี้นะคะลองมาฟังค่ะจะมาเปิดประวัติของนักร้องลุ้งทุ่งคนไหนอย่าลืมติดตามดีเจแอมไว้ในอ้อมอบอ้อมใจทุกท่านด้วยนะคะ มาไฟฟันอยากเก็บเอามาไฟฟันได้รักแยมยันเป็นแฟนดีทพอดีอย่าม่๊งเสียจิงน้องนางข้าวจังและผิวดังสมรีบันหายและโยกยาอยู่วันทีลูกหัวาหนา้้ว่ายังไม่มี จำมั่อย่างนี้ละสวยดีกวนานตา แต่รัดแยมจันเป็นแฟนที่พอดีจำมั่เดียจริงน้องนอาขาดยังและผิวดังสมรีปันทายและโยกยายอยู่วันนีลูกปูวานนากลัวยังไม่มีจำมัมอย่างนี้ละสวยดีกวนานมาก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 เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณวินัยปทุมเกษรสามีของคุณจีรนันกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะให้คุณวินัยนะคะแนะนำชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะอยู่บ้านเลขที่ยี่สิบค่ะอำเภอวังหันค่ะจังหวัดลิยาอ่าขอเป็นคนอ่าเป็นคนอายุทยาเนาะค่ะ แล้วคุณวินัยนี่ก็คือมาสั่งมูนไรส์ให้กับแฟนคือคุณจีรนันใช่ไหมคะคุณจีรนันนี่เขาพักอยู่ที่ไหนคะพักอยู่ที่บ้านเนี่ยบ้านเช่าเนี่ยอ๋อค่ะบ้านเช่าตรงร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลายตรงโรงสีไฟรักเจริญ เ, เออตร ง, ตร ง, ต, รงตรงนครสวรรค์ใช่ไหมคะครั บ, บ, บนะตำบลปากน้ำโพนะคะครับค่ะแล้วอาการของคุณจีรนันน่ะเดิมอะ ที่ผู้หญิงเขาเป็นอะไรมาจ้ะแบบว่าเดินไม่ค่อยได้ค่อนเดินไม่ค่อยได้ไม่เป็นอมมะไรามาปั้งอาบเเป็นอมัมพาตเดินไม่ได้คือคือเดินไม่ได้เลยหรือว่าเดินได้แต่ไม่สะดวกเดินได้เดินได้เดิไม่สะดวกก่อนอ๋อเดินแบบได้นิดหน่อยกตออออ็ต้องใช้ไม้เท้าอ๋อต้องใช้ไม้เท้าเดินไม่ได้มากี่ปีอ่ะคะ่ะประมาณ สองปีเป็นมาสองปีงปจ้ะแล้วช่วงที่เดินไม่ได้นี่ดูแลกันลำบากไหมลำบากอือคือคุณวินัยประทุมเกษรก็ต้องมาดูแลแฟนนะนะเพราะว่าแฟนเราเป็นอย่างนี้เนาะสาเหตุที่คุณป้าเขาเป็นอมัมพฤกษ์เพราะอะไรอ่ะคะเ ป, เ, ปเป็นเป็นโรคเขากันชั ก, กนะทักเป็สาับักอ๋อ <c oughs> เคยชัก อืมแล้วคือเห็นบอกว่าใช้มูนไบรท์แล้วดีขึ้นเล่าอาการให้ฟังหน่อยค่ะว่าดีขึ้นยังไงค่ะอ่าเดี๋ยวถ่ะคุยกับแฟน<ร>น ะ, นะอือได้ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ <Hello. S 1> คุณจีรานันนะคะ <Hello. S 1> ค่ะค่ะถ้าเออเห็นบอกแฟนบอกเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเคยชักแล้วก็ <Hello. S 1> เป็นอมัมพฤกษ์เดินไม่ค่อยคล่อง ต้องใช้ไม้เท้าเป็นมา2องปีเลยเหรอคะค่ะอืมแล้วในระหว่างที่เราเดินไม่ค่อยคล่องเนี่ยพยายามหาวิธีรักษาตัวเองมาไหมคะค่ะอ่ารักษาแต่ก็ทัน4อ่อืมค่ ะ, คะแล้วเห็นบอกว่าใช้มูนไบแล้วดีขึ้นดีขึ้นยังไงบ้างมันมันเดินได้แล้วดีขึ้นงไง อ๋อเดินได้เลยใช้ไม้เทา้าไหมตอนที่เดินได้เนี่ยไม่ไม่ต้องใช้ก็ได้อ๋อไม่ต้องใช้ก็เดินได้เองเลยค่ะแล้วนั่งนั่งลงไปเนี่ยพอลุกลุกได้เองไหมคะลุกได้ดีแต่ว่านั่งกับพื้นไม่ได้นะอ๋อนั่งได้ก็ต้องเอียดแข้งเอยดขาเพราะถาว่าเข่าด้วยอืมถาว่าเข่าตรงข้างเลยค่ะแล้วคุณจีลานันมองว่าของมูลไบร์เนี่ยเป็นยังไง คือบางคนนะ่ะเขาไม่มั่นใจเขาฟังเราอยู่เขาบอกว่าเอ๊ะจะมาหลอกไหมหรือว่ามันเดินได้จริงหรือเปล่าป้าช่วยยืนยันหน่อยค่ะได้ได้ค่ะแน่นอนเนี่ยไม่เียไม่ได้โกหกอ๋อไม่ได้โกหกถ้าสงสัยมาถามป้าได้ใช่ไหมที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อลายเนี่ยได้ได้อือนุญาตให้มาถามนะเดี๋ยวขอคุยกับแฟนหน่อยค่ะ อ้าวพออะไรวะครับค่ะคุณพี่คะช่วยยืนยันกับท่านผู้ฟังหน่อยค่ะว่าช่วงที่ใช้ผลิตภัณฑ์มูลไรแล้วเดินได้อะค่ะเพราะบางคนอาจจะแบบเอ๊ะมันพูดเวอร์เดินไม่ได้แล้วจะกลับมาเดินได้ค่ะเดินได้ครับอืมคุณวินัยยืนยันนะคะครับครับค่ะแล้วคุณวินัยคิดยังไงบางคนคิดว่าเป็นเรื่องเส้น ปล่อยปล่อยไว้ไม่ต้องรักษาเดี๋ยวมันหายเองได้มองยังไงคะมันเป็นเส้นเนี่ยมันต้องกนเนี่ยต้องเอายาวดโดยอืมค่ะคือปล่อยไว้ให้หายเองไม่ได้ใช่ไหมไม่ ไ, ได้ครับมมไม่หายอืมแล้วบางคนน่ะเขาไม่กล้าตัดสินใจฟังฟังอยู่เขากลัวคุณวินัยมีอะไรจะบอกกับเขาคะตอนแรกผมก็กลัวโดนหลอกนี่แหละ นี่ลองชุดเล็กดูก็อ่ามันก็เดีขึ้นเด้งขึ้นเลยผมว่าสั่งชุดใหญ่เนี่ยค่ะอือค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะที่คุณวินัยอยู่ในสายกับเราแล้วก็คุณจีลานันอยู่กับเราเนี่ยนะคะทั้งสองท่านจะยืนยันนะคะว่าอาการเดิมของคนที่เคยชักแล้วตอนหลังก็เดินไม่ค่อยคล่องเป็นอมัมพฤกตอนนี้ก็กลับมาเดินได้แล้วด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆจากมูลร ท่านใดที่กังวลว่าไม่เชื่อไม่ใช่คุณวินัยอยากให้ลองใช่ไหมคะครับครับตังโยมครเล็กก่อนก็ได้ค่ะทางรายการมูนไบต้องขอขอบคุณคุณวินัยนะคะและคุณจีระนันเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มายืนยันตัวตนนะคะขอบคุณมากคะ่ะชามือชชาเทา้าปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงชุดน้ามันมูนไบาจา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 ขณะนี้ที่ฉันอยู่ในช่วงมูลไบสัญจรบอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลไบสัมภาษณ์คุณวัรชัยโตโชตผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะคะคุณวรนชัยโตโชตเนี่ยปวดหลังลงขาเป็นมาสิบกว่าปีนะคะก้มหลังไม่ได้น ะ, ะปวดมากหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบแล้วปัจจุบันนี้อาการปวดไม่มีแล้วนะคะ เ, เดี๋ยวจะให้คุณวันชัยโตโชตแนะนําชื่อนำสกุลบอกเล่า90ความประทับใจเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวันชัยแนะนําชื่อเลยค่ะคือวันชัยโตโชตครับ ว่เลขที่หนึ่งสี่แปดหนึ่งสองศูนตาชุมชนเขาหนกระเตนนะครับชุมชนเขานกกระเตนนี่อําเภออะไรคะอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับอตาบลอะไรคะเนี่ยตำบงลงปากลโพงครับอ๋อตำบงลงปากลำโพนะคะการลองเล่าอาการดูนะคะมผมว่าทำงนานเกี่ยวกับตู้หนังสือคือบริษัทผมเนี่ยรับหนังสือมาจากกรุงเทพแล้วเป็ น, นตัวแทนจําหน่ายตรงให้ลูกค้าตลาดจัดส่งอําเภอ แล้วก็พอถึงเวลาน้ามาสุาากค้าก็จะมาคืนเนสือเมือคือผมก็จะยกกลับเข้ามาแล้วก็มาแยกเแ็กเข้ากับโรงพิมพ์พอโรงพิมพ์เขาจะมีหนังสือหมาเสร็จมาว่าตอ้องการหนังสือคืนบรรดาหนังสือที่ลูกค้าเจ็บมาแล้วนะคืนโรงพิมพ์ปรกระสอบนะมัดมันเป็นมัดก่อนมัดหนึ่งแล้วจากประตุกระสอบกระสอบนึ่งก็บงทีก็ สามกิจสี่สิบโลยกของหนักก็เลยปวดหลังลงขาถูกไหมแบบผมก็ไปหามหมอที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าลุงอะคือสุขภาพร่างกายคือผมเป็น โ, โอโรแล้วก็เป็นยกของหนักอย่างนั้นนะมันไม่เหมือนก็ตร์ดาเขารายยกแล้วเนี่ยมันจะผิผผดพฤติการคือมันจะยกมันคือขาผมไม่ดีอยู่แล้วแล้วไปยกอย่างนั้นมันจะน่านปวดตอหลังมาที่ปวดหนักแล้วผมต้ผมผมต้อ ง, อ, ง, อ, งออกกออกจาก ง, งานเลย ทามาได้มีประมาณสองพห้าร้อสี่สิบกว่าเนี่ยคือหลังน้ำท่วมปีสาแปดได้มาหลายผอก็ออเลยปวดมันนไม่ไหวแล้วครัหลังมาผมก็มาฟังเต็นแล้วก็เขาบอกว่าทามือไปแกการปวดปวดเส้นปวดอะไรเนียผมก็เลยสั่ง่าลองมาทางถ่ายครั้งแรกนี่ก็ประมาณสักสามสี่สิบเมตรแต่รก็เกลางมันจะดีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็ฟังเรื่อยๆจนกระทั้งสาม ว่าอะไรเบาดีขึ้นมาเลยผมก็เลยยุดหยุดใช้อ๋อปัจจุบั น, นไม่มีอาการปวดแล้วใช่ไหมแค้ยครับว่ามีครับไม่มีแล้วครับพี่โยนี้ตอนนี้เดินทางกับอาเงี้ยอ๋อใช้แค่สามสามกระปุกครับครับใช้แค่สากระปุกครับใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหินปูนด้วยใช่ไหมแล้วก็น้ำมันทาใช่ไหมคะครับครับอ๋อก็คือสามชุดถูกไหมเพราะว่าชุดหนึ่งมันมีอาหารเสริมเส้นแล้วก็ล้างหินปูนแล้วก็น้ํามันทา สามชุดปัดน้ำมันนี่สั่งมาอย่างแล้วปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอาการปวดก็ไม่มีแล้วาาปวดไม่เนื้อตอนนี้ใช้เวลาเมือก่อนนี้เวลาเข้าห้องน้ำน้ำนี่จะอาบน้ำอาบอะไรแล้วก็มันต้องคอยระวังครับเวลาใส่ใเสืเ้อเมื่อไรเนี่ยเพราะวนันวันนันยกขึ้นมาเนี่จะปวดตึกระเซนเนี่ยเวลายกมนักมนมันจะปวดเลยทีนี้ใส่คอนโซนต้องระวังต้องคำนว่าวา่าคำนวก่อน แต่ น, นี้นี่ก็ช่วงีมากขึ้มาแล้วไม่ต้องอะไรอ๋อปัจจุบันนี้ไม่ต้องใช้ไม่ไม่ต้องเกาะลาวแล้วก็ไม่ปวดแลยเนาะใช่ไหมคะครับครับ อตอนนี้กำลาใจชิน่รงแล้วดีขึ้น เ, เยอะแล้ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะค่ะก็ขอขอบคุณคุณวันชัยโตโชตมากเลยนะคะที่บอกเล่าเก้าสิบความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูลไบาหากท่านใดมีปัญหาเส้นเหมือนคุณวันชัยหรือจะเป็นตะคิวนิ้วล็อกปวดหัวเข่าชามือชาเท้าอามาพึกอัมาพลาดลองมาสั่งซื้อกันดูนะคะราคาไม่แพงนะคะหากท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่ง สามเก้าสี่หกเก้าเจ็ดเจ็ดหรือศูนย์แปดแปดห้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งห้าหากท่านใดจดเบอร์ไม่ทันให้เตรียมกระดาษปากกาแล้วคอยจดในช่วงบทสัมภาษณ์ในรายถัดไปก็ได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับคุณวันชัยโตโชตด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเขา่า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 ใช้ได้สองเดือนราคาหนึ่งันเจ็ดร้อยบาทเหมือนท่านได้ดูแลตนเองวันละยี่สกว่าบาทเท่านั้นชุดใหญ่สุดคุ้มนี้มีสินค้าถึงสี่ชิ้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาเพียงหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเฉลี่ยวันละยี่สกว่าบาทเท่านั้นทุกชุดจัดส่งฟรีเก็บเงินถึงหน้าบ้านคุณหากท่านใดสนใจ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 ของคุณสมงามเหลือกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะค่ะให้คุณป้าแนะนําคืออ่าสมงามเหลือค่ะอยู่นครสวรรค์อำเภอเมืองค่ะอ่าอยู่หมู่เก้าตำบลเพียงไกรอาเภอเมืองนครสวรรค์เนาะจ้าคุณป้าคะคุณป้า เออใช้ผลิตภัณฑ์มูลไบเนี่ยมากี่ชุดคะอ่าสามชุดละเหมือนก็สามชุดสามชุดนี่ก็ยุดชุดใหญ่อนะเนาะค่ะใช่อ๋อแล้วใช้แล้วเป็นไงบ้างป้าดีดีใช้แล้วดีใช่น้ำมันน่ะที่คาดีมากมอืมอน้ำมันดียังไงคะน้ำมันดีคาเมื่อคืนตรวดเดินมากลองทาดูโห ดีใช้ได้อือดีมันดีอะคือว่ามันเบาปวดอะจะคุณป้าอายุเท่าไหร่คะตอนนี้สี่สิบห้าอ๋อเป็นคุณพี่สี่ห้าแล้วคุณพี่มาใช้ของมูลไบร์เนี่ยอาการก่อนหน้านั้นอะเป็นอะไรมาอโอามันปวดจ้ำเนื้อยกแขนไม่ขึ้นก็ปวดจ้ำเนื้อยกแขนไม่ขึ้นแล้วมันมันเหมือนปวดไปทั้งหลังนั่นแหละ ปวดหลาวไปหมดเลยอืมปึงเหมือนแบบเส้นมันปึงอ่ะอ๋อปวดกล้ามเนื้อปวดหลังยกแขนไม่ขึ้นใช่อาชีพเห็นบอกว่าร้อยมารีขายเหรอคะใช่ตอนนี้จะร้อยหนักเพราะว่าเหมือนว่าเราไปตลาดทุกวันเราก็ไปขายได้มั่งอย่าเงี้ยสามสิบีิพวงอะไรเงี้ยเหมือนร้อยทุกวันแล้วตอนเนี้ยธรรมดาจะร้อยแค่วันพระวันโกนอ๋อ พอแบบเราร้อยมาลิีมากๆเข้ามันก็เลยป<ช>วดหลังแล้วก็ป<ช>วดแขนยกแขนไม่ขึ้นเลยนั่นแหละแต่ช่วงนั้นอ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ฟังฟังนี่เนี่ยรายการนี้เนี่ยวเอ อ, เ อ, อตัดสินใจนานเหมือนกันอาจจะซื้อค<ะ>่ะอ่พอดีฟังคุณแม่อ่าออกรายการแล้วก็มาฟังน้องแอมแล้วจะติดต่อกับน้องแอมพี่สมเนี่ย คือฟังรายการมานานแล้วแต่ว่านานมากแล้วทำไมถึงยังไม่ตัดสินใจล่ะฟังมาร่วมมพึงปีจะมั่งอ๋อได้อย่างก็เดือนหนึ่งเดือนสองก็มาถึงเดือนหกอ่ะฟังพยายามฟังเออมันสนใจมันสิบางคนเขาเป็นแบบคุณคุณอะไรนะคุณนายคุณนายหรือมน่ะเหรอใช่นั่นเลยเขาบอกว่าจะไปหวงตัาง ก็สนใจตรงเขานั่นแหละสนใจตรงเขานั่นแหละก็เลยเออลองลองซื้อสั่งมาโอหตอนแรกจะไม่กินอยู่ข้างมันเมื่อยมันปวดลาวไปหมดเลยอืมโอ้โหมันแบบเหมือนมันขับอะเนาะเออแฟนก็บอกว่าทนหน่อยอ่านได้ใบนะั่นแล้วเออทอนหน่อยพอเจ็ดวันไปแล้วมันก็จะดีขึ้นเราก็กินตัวนั้นต่อไปนีกหน่อย มันก็ดีดีขึ้นมา อ, มอ๋อดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ใช่พี่ก็ออพี่ป้านะอาเพื่อนเพื่อนกระสั่งมามแบง่งแบ่งแบบความรู้ให้กันเขาก็ดีนะอ้อแล้วก็ก็ดีลูนั้นสั่งชุดใหญ่มาอ๋อแสดงว่าพี่ป้านะอาญาติญาติก็กินแล้วก็ดีกันทุกคนใช่โ อ, อ้แสดงดว่าเดี๋ยวนี้คุณคุณสม ก็ไม่กลับไปไม่มีอาการเส้นเหมือนแต่ก่อนแล้วก็มีบ้างเพราะว่าเรานั่งนานอทางต้องเดินนั่งอืแต่เล็กน้อยแต่ก็ไม่ไอะเมันจะมันก็ยังเป็นในน้อยเหมือนว่าเป็นไอ้พวกฟังผือแต่ที่นิ้วนะอเออมันก็โอเคอ่นะแต่ว่ามันดีขึ้นมากกว่าตอนก่อนจะใช้มือไหวใช่ที่เป็นในพวกเหมือนพวกนิ้วล็อกอ่ะอดีดีดีเออคือดีขึ้นมาเลยว่าเออไม่แปลกใจเนาะ ออดีแล้วพี่สมมีอะไรจะฝากอะ่ะคนฟังไหมบางคนเนี่ยโหเขาไม่กล้าตัดสินใจใชอยากให้ทานเ่ยมันดีนะตัวเนี้ยดีก็กินดูกินดูนะอ่ามันก็ไม่แบงหรอกมันดีมากเลยถ้ามันจะเห็นผลมันก็เห็นผลพี่เนี่ยอืมแต่เนี่ว่ามันดีไงเลยก็สั่งเรื่อยๆจ้า ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่สมน้ำเหลือที่เด็กถ้าใครเป็นอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรสั่งอีกมีเบอร์็อกไว้จ้าอ่าเรื่นี้ก็ได้นะคะจ้าขอบคุณมากค่ะพี่สมจ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้า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 <Dead. S 2> สวัสดีค่ะพบกับช่วงมูลไบรท์สัญจรบอกเล่าเกว้าสิบความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของมูลไบรท์นะคะวันนี้ค่ะดีเอนะคะอยู่กับคุณวรรณามเหมือนสุดที่วงค่ะซึ่งเป็นลูกค้าของมูลไบรท์นะคะได้มีความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุดคลายเส้นของมูลไบรท์หลังจากที่คุณวรรณานะครับเป็น ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุมาหลายรอบนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาพบกับคุณวรร น, นานะคะสวัสดีค่ะคุณวันนาค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ ะ, ะดิฉันชื่อวันนาเหมือนตุดชื่อวองค่ะบ้านเลขที่หนึ่งร้อยหมู่ที่สามตําบลกลางเขตอําเภอเมืองจังหวัด น, นครรสวรรค่ะค่ะอ่าลูกวุถามคุณวรนนานิดนึงนะคะว่าก่อนทานของมูลไบร์เนี่ยอาการของคุณวรร น, นาเนี่ยเป็นยังไงบ้างะคะดิฉันสมบ กประวัวิเหตุมาหลายครั้งค่ะตั้งแต่พศ27 ก, ก็ตกลงเครื่องมาแล้วก็แบบว่าตกมาแล้วก็ขาเป๋ไปแถลหนึ่งนะคะเดินขาเป๋ไปแถลหนึ่งแล้วก็ไปบิดไปบิดขาหมอหาหมอไปหารักษามาไปหาทั่วนะคะบิดแล้วก็ที่แรกเดินขาเป๋แล้วก็มันก็เดินดีขึ้นแล้วก็แต่แต่ข้างในมันเป็นก้อนได้ขาตั้มแล้วค่ะมอนเป็นก้อนเป็นลูกๆ แล้วเวลาเอาเหล็กเอ า, าอะไรเคาะเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะปวดมันไฟช็อตอ่ะนั้นน่ยมันจะเป็น ม, มานานแล้วก็พออยู่ก็ได้ซิงสามสามก็ดดนบาดเหตุรถชนสมองเลาอีกแล้วก็พอมาอยู่ได้หน่อยก็รถชนนิ้วท้ายนิ้วซ้ายข้างขวหาหักสองนิ้วนะคะแล้วก็มือข้างขวาเนี่ยมือข้างขวแล้วล็อกแป็ดมาโดนชนด้วยค่ะโดนชนเท้ามือแล้วก็ที่เท้าแล้วก็พอมาอยู่ได้หน่อยก็มาโดนรถคว่ำอิด แล้วก็มาดอนรถชนอีกแล้วก็มาขามือแล้วก็บกลมข้อมือหักอีกข้อมือข้างข้างซ้ายนี่ก็กำไม่ค่อยเข้า็แต่มันยึดละคันตอนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นไปหาหมอโรงพยาบาลแล้วก็แบบว่าหมออายุรกรรมเข้าเปลือกให้แบบเข้าบิดๆนะคะเข้าบิดทีนี้เส้นมันก็ยืดทีนี้ก็อยู่ไม่ได้เดือนนั้นก็ต้องไปแก้เปือกใหม่ทีนี้ก็เส้นมันก็เสียแล้วก็กรำไม่เข้ามาะค่ะ ซอสชนิดเฉพาะมาใช้น้ำมันของมูลใบช า, าก็รู้สึกว่าเอ้เส้นที่ตําไม่เข้าเนี่ยมันก็จะจะจามัมนจะดีขึ้นนะคะตําขึ้นนี่ยมันจะจำเรียลเก่าะคะ่ะแล้วก็นิ้วข้างเอ็นิ้วขวาปลายนิ้วขวานะคะมือขวานะคะเป็นติ๊กซิวนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกจะทายขึ้นนะคะไอ้สเส้นใต้ขาภาพที่หย่องก็มันก็เบาขึ้ น, น, ะะนองไอ้เอ็นก้อนก็เบาขึ้ น, นะคะ่ะอาจารยปวดอะไรก็เบาลงนะคะ แล้วก็ระบบขับถ่ายจะดีขึ้นนะคะเออมันก็ดีนะคะพอทานได้เจดวันทานน้ามันได้เจ็ดวันก็รู้สึกวดีขึ้นนะคะอืมอะตอนนี้คุณว น, นาใช้น้ำมันกับชุดคลายเส้ น, นมาได้กี่วันแล้วอะคะก็ตอนนี้ก็สามอาทิตย์ค่ะสามอาทิตย์แล้วค่ะ สอบถามนิดนึงค่ะเห็นบอกว่ามีอาการท้องผูกบางทีผูกนานถึงเก้าวันเลยค่ะเป็นปกติท้องผูกบางทีห้าวันหกวันเน่ยจะถ่ายครั้งหนึ่งเนี้ยแล้วก็พอกินคายเส้นไปแล้วก็เช้าก็ถ่ายเลยนะคะถ่ายทุกวันตอนนี้ถ่ายทุกวันค่ะแล้วชุดมันโล่งนะคะแบบว่าผสมแบบเห็นบ่อยแล้วก็แบบว่าเราไม่ไม่ค่อยออกกําลังมา่อนแล้วทำงานหนักแล้วมันก็จะขับถ่ายที่นี้เรามันมันมันทํางานไม่ได้มันก็ มันก็ไม่ไม่ขับถ่ายร่างกายมันไม่ค่อยออกกาลังสำหรั บ, บว่าหมอก็ลงคําเห็นว่มามันที่การนะคะก็้รอโรงพยาบาลก็ยี่สิบแปดครั้งแล้วก็หลายโรคแล้วเดินแบบมาอุบัติเหตุนะแต่ตอนนี้ก็พอทานน้ำมันแล้วก็แบบว่าเดินเหินดีขึ้นนะคะเดินใก้ใกล้ไม่ต้องใช้ไม้ํายันแล้วค่ะเดินตัวเปล่าได้เมื่อก่อนต้องใช้ไม้้ํายันก็จะเรียกว่าเดินเดินตัวเปล่าไปไม่ต้องใช้ไม้้ํายันแล้วค่ะ แต่ถ้าเดินเที่ยวของเทีวหลายต้องใช้ค่ะเพราะว่ามันยังขามันยังไม่ค่อยไหวนะคะค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณวนาเหมือนสูตรที่วงเป็นอย่างมากนะคะที่วันนี้ได้บอกเล่าเก้าสิบความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ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 ส9 4เก้าสี่หเก้าเจ็ดเจด สัมรองของคนหลายใจเมื่อได้รู้ว่าอมกดเข้ามีคนเป็นเจ้าของเหมือนกันเป็นเพื่อนรักของฉันฉันควรทําอย่างไรตอบคาถามกับหยาดน้ําตาเพื่อนกาแฟฉันจะเลือกใครก็ได้ยินเสียง สิบเบาๆว่าเพื่อนเราก็เหมือนกับคนสองคนกำลังจมน้ำกลางทะแลหัวใจถ้าใครสักคนต้อง วันต้องรู้ต่อไปเก็บอาการเสียใจไม่ไปคุณแค้นวันพรุ่งนี้ของเธอกับเขาจะเจ็บปวดราหรื อ, อยังเป็นแฟนสุดแต่บุญแต่กรรมฉันทำอะไรไม่ไ ไกลสักคนต้อง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 ฉันทําได้เพียงเท่านี้เมื่อบุ่นฉันนี้แค่เข้ามาเก็บเก็บไว้คนเดียวเดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณวิลัยวันเถ่าเครื่องกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวให้คุณวิไลวันแนะนําชื่อนามสกุลและที่อยู่ค่ะค่ะชื่อวิไลวันเข่าเครื่องค่ะอยู่บ้านเลขที่32หมู่7ตำบลกลางแดดอาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะตําบลกลางแดดอาเภอเมืองนครสวรรค์หมู่7ใช่ไหมคะค่ะคุณวิไลควานคะที่คนที่บ้านอ่ะเป็นอะไรมาคะถึงต้องมาใช้มูลไร์อะค่ะก็มีเจ็บหน้าอกเจ็บตามกล้ามเนื้ออะไนี้ค่ะ ค่ะเจ็บหน้าอกเจ็บตามกล้ามเนื้อเป็นมานานหรื อ, อยังคะเป็นมาหลายเดือนแล้วคะ่ะอืมเป็นมาหลายเดือนค่ะแล้วเคยไปหาวิธีรักษามาก่อนไหมเคยกินยาขายกล้ามเนื้อแต่ก็ไม่ค่อยเบาเออค่ะแล้วตอนหลังมารู้จักกับมูลไบรท์ได้ยังไงคะฟังจากวิชยุ ป, ปาเขาเปิดวิชยุ่ะอ๋อค่ ะ, คะแล้วเป็นยังไงพอใช้มูลไบรท์ไปแล้วคะ่ะ ก็เริ่มบีบซึนก็เริ่มไม่เจ็บไม่ปวดอืมรู้ผลตั้งแต่ชุดแรกที่ใช้เลยไหมก็ก็เบาตั้งแต่ชุดแรกอ๋อเบาตั้งแต่ชุดแรกค่ะเดี๋ยวนี้อาการที่ว่าเจ็บหน้าอกแล้วก็ตึงๆจุบๆหน้าอกยังมีอยู่บ้างไหมคะก็ยังมีแต่ก็เบาเยอะแล้วเบาเยอะก็ซินอยู่เรื่อยอืม ที่เทียบกันระหว่างที่จุกหน้าอกจากเดิมมาปวดหนักเลยร้อยเปอร์เซนตตอนนี้เหลืออยู่กี่เป <30. S 1> อร์เซ็นต์คะ 30% ิอ๋อสามสิบเปอร์เซ็นนาะมันไม่ค่อยเป็นแล้วมันเบาเยอะแล้วเอมันเบาเยอะแล้ ว, ลวคุณวิไลวันอายุเท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดอ๋ 27. อยอเป็นแล้วเนาะอืมแล้วคุณวิไลวันมองว่าผลิตภัณฑ์ของมูลไบรทเนี่ย ราคาสูงไปไหมเมื่อเทียบกับที่เราดีขึ้นนะก็ไม่สูงนะคะอืมแล้วคุณวิไลวันมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังทางวิทยุไหมที่ฟังวิทยุตอนนี้แล้วกลัวว่าเออการสั่งซื้อของทางวิทยุเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจกลัวว่าก็ได้ผลไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะอืมได้ได้จริงค่ะก็ปวดเมื่อยเจ็บอะไรนี้ก็ดีค่ะอืม คือได้ผลแน่นอนยืนยันถูกไหมคะใช่ค่ะอะ่ทางรายการมูลไร้ายนะคะต้องขอขอบคุณคุณวิไลวันเผ่าเครื่องนะคะอยู่ที่หมู่เจ็ดตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ขอบคุณมากคะ่ะค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะทนปวดอยู่ทำไม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 เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณจริยาอินกลับกันค่ะสวัสดีค่ะคุณจริยาค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณจริยาแนะนําชื่อนำสกุลและที่อยู่ค่ะค่ะชื่อจริยาอินกลับค่ะค่ะอยู่บ้านเลขที่สามสิบเก้าตําหมู่หกตําบลบางม่วงอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะคุณจริยาอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุสามสิบเก้าปีค่ะสามสิบเก้า แล้วอาการที่เป็นนะค่ะเป็นเป็นอะไรมาคะอาการก็คือปวดชัดปวดหลังค่ะปวดหลังล้าวลงขาค่ะอืมมันจะมีอาการปวดร้อนปวดร้อนกระดูกที่หลังนะคะแล้วก็เส้นจะตึงมากอตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยว่าเข้าห้องน้ําก็จะลุกจะนั่งก็ลําบากหน่อยคะ่ะเพราะว่าเส้นมันตึงห้องน้ํานี่ถ้าเป็นนั่งยองๆเนี่ยนั่งได้ไหมนั่งนั่งยองๆก็ ก็นั่งนั่งได้ค่ะแต่มันก็ลําบากหน่อยอะคะ่ะเพราะว่าตอนเช้านี่เส้นจะตึงมากแล้วปวดหลังมากเลยอย่างเงี้ยแล้วเค ย, ยไปไปรักษาหรือไปหาหมอบ้างไหมคะออหาหมอประจําค่ะรักษาที่โรงพยาบาลประจําค่ะแต่ก็ไม่มันก็เบาลงนะคะแต่มันก็ไม่หายอะคะ่ะอืมเห็นบอกว่าเป็นมาสามปีแล้วเหรอค ะ, อ, ะอืมแล้วคุณจริยามารู้จักกับมูลไรได้ยังไงคะ อ๋อฟังในวิทยุค่ ะ, คะอืมแล้วเห็นบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ไปแค่ชุดหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าเบาเลยเหรอคะเล่าให้ฟังห่อยก็ลองกินไปแล้วพอดีตอนนั้นช่วงนั้นทํางานก่อจ้างเลยอะค่ะเราว่ารู้สึกว่ากินไปแล้วก็เบาค่ะแต่ตอนกินใหม่ใม่ทีแรกมันจะปวดมากเลยนะคะเอ่าจ้ะอ่าปวดขาขาอะไรแบบนี้ยเวลาเราเดินเนี่ยมันจะ ค่ะไม่รู้สึกอะยกขาก็ไม่รู้สึกแต่ล้วก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะแต่ฟังแล้วเขาจะบอกว่ามันจะมีอาการแบบนี้เราก็ไม่ตกใจเท่าไหร่ค่ะอ๋อมันกระทุงโรคมันขับโรคอ่ะนะอ่ะอาพอกินไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็นั่นแหละมันก็จะขับถ่ายอะไรแบบนี้ค่ะทําให้ตัวเราเบาขึ้นแล้วเส้นที่เคยแบบตึงมันก็เหมือนรู้สึกว่าเบาลงขยับตัวได้ง่ายขึ้นอะไรแบบนี้กระฉับกระเฉงคล่องแคล่วมากกว่าเก่าค่ะอืม เขาเรียกว่าอาการน่ะดีขึ้นที่ปวดเนี่ยหายเลยใช่ไหมคะหลังหล่ะมันก็เบาเหนือเบาตัวใช่ไหมคะค่ะรู้สึกว่าเบาเนื้อเบาตัวแบบทํางานสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกระชับกระเจงมากขึ้นอืมก็เลยอยากสั่งซื้อกินต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยเผื่อมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะแล้วคุณจริยามองว่าสินค้าของมูลไบร์เนี่ยเออชุดชุดนึงเนี่ยที่มีสินค้าหลายๆอย่างอ่ะ คิดว่าราคาแพงไหมเทียวกับที่เรายเนีไม่แพงค่ะเพราะว่าเราก็เคยรักษามาหลายอย่างแล้วมันก็มันเฉยเฉย อ, อะไรแบบนี้ก็ก อ, อกินตัวนี้ไปรู้สึกว่าดีขึ้นมันก็สมกับราคาค่ะไม่แพงหรอกค่ะค่ะค่ะทางรายการมูนไรท์ต้องขอขอบคุณคุณจารยาอินกลับเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ได้มาบอกเล่าความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของมูนไรท์นะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ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 บารวมคันสร้างโบทรวมกันไว้เมื่อชาติโกน่น้องศพตาพี่ไม่ลบตานี้พี่รู้แน่หัวใจของพีพ่ายแพร้รักน้องสิแปรสิแล้วนแน่นอนรักเกิดจากใจใครไม่ได้เสียง ภาพลวงภาพหลอนพี่รักบังอ่อนคงพระ บ, บุพเพพี่เป็นคนจริงพูดจริงทําจริงน้องยิงอย่าเพิ่งสนเทอย่าเพิ่งความทิ้งพี่คือแปดจริงไม่ใช่แปดเกดเมรักพี่แล้วอย่ารวนอย่า ขอยอมเป็นทาสแม่ดวงสุดาเพราะว่าบุเพสันนิวาสเรียห์าพี่จึงมือนใจนน่นหนาว่าควันที่มาคงไม่ตัดรอน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 สวัสดีค่ะ